อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีและนางเตือนใจสิมทุววณิกรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ขอเชิญท่านติดตามรับฟังค่ะ สวัสดีท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์พร้อมกันทั่วประเทศก็ขอนํารายการธรรมารับอรุณกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านกันเหมือนเช่นเคยนะคะเช้าวันนี้เราพบกันเป็นเช้าวันเสาร์ที่26มีนาคมพุทธศักราช2554ค่ะวันนี้เป็นวันแรม7ค่ำเดือน4ปีข4นะคะทุกๆเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่ตี5ถึงตี5ครึ่ง อาจเด่นเชื่อน่นว่าท่านผู้ฟังทางบ้านที่เป็นแฟนรายการธรรมาราบรุนของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็คงจะตื่นขึ้นมารับฟังาการสนทนาธรรมหรือสากฉาระหว่างตัวตนเองกับพระอาจารย์ภัยบูลอภิปุนโนซึ่งท่านก็เป็นลูกศิษย์เอกของพระเดชพระคุณหลวงพ่อดออรสะอาดทิโตภาโศหรือท่านพระครูสิทธิปภากอนท่านจะอาวาสวัดป่าดอนหายสุกตำบลดอนหายสุก อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะสําหรับในเช้าวันเสาร์นี้เราก็จะได้มาสนทนาธรรมกับพระพรอาจารย์ภับูรณ์อภิปุโ น, โนในหลายๆเรื่องที่มีท่านผู้ฟังทางบ้านได้สอบถามเข้ามานะคะสําหรับเรื่องแรกที่จะพูดคุยนั้นเนี่ยจะเป็นเรื่องอะไรเด่น อ, อยากจะข อ, อนําท่านผู้ฟังไปกราบยมสการพระพรอาจารย์ภับูรณ์อภิปุโ น, โนแล้วก็ได้รับทราบจากพระอาจารย์พร้อมกันเลยนะคะกราบยมสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา ค่อสำหรับเริ่มรายการของเราในวันเสาร์นี้เจ้าค่ะทราบว่าพระอาจารย์จะได้เมตตากล่าวย้ำถึงเรื่องที่เราได้สนทนากันเมื่อวันอาทิตย์ที่ยี่สิบมีนาคมที่ผ่านมา<ช>เป็นเรื่องเกี่ยวกับที่ว่าธรรมะของผู้บังคับบัญชาและก็ผู้ใต้บังคับบัญชาใช่ไหมเจ้าคะ<ช>ตามที่องค์พระศาสมาสมุทรเจ้าได้ได้กล่าวไว้ว่า อ่าสำหรับเจ้านายหรือผู้บังคับบัญชาเนี่ยควรจะปฏิบัติต่อลูกน้องอย่างไรและก็ลูกน้องหรือผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยควรจะปฏิบัติต่อเจ้านายกันอย่างไรบ้างนะเจ้าคะ่ะก็เมื่ออ่าที่ว่าไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีข้อผิดพลาดอยูนิดนึงจึงจะมาแก้ไขให้ถูกต้องเค่ะโือเรื่องข้อปฏิบัติที่เจ้านายนะคือผู้บังคับบัญชาเนี่ยที่ต้องมีกับลูกน้องคือผู้ใต้บังคับบัญชาเจ้าค่ะเจ้านายเนี่ย อ่าที่บอกว่าต้องทําให้เป็นที่รู้จักในหมู่มิสหาอย่างอันนี้ไม่ถู ก, ถกอออืมีีกข้อที่ควรจะปฏิบัติจริงๆเนี่ยที่ผู้รู้จักได้ตรัสไว้เนี่ยคือคอยดูแลรักษายามเจ็บไข้เจ้าค่ะคือเวลาเขาป่วยเขาอะไรอย่างเงี้ยรถไฟเราควรต้องดูแลเขาไปเยี่ยมเขารักษาเขาอะไรนี้อืมเจ้าค่ะนี่ถูกเจ้าค่ะส่วนที่ข้อที่ว่าอทําให้เป็นที่รู้จักในหมู่มิสหายเนี่ยคือระหว่างอาจารย์กับลูกศิษย์ อืมเจ้าค่ะเจ้าค่ะคือ ต, ตัวอาจารย์เนี่ยถ้าลูกศิษย์คนนี้เก่งมากนะศึกษาดีทุกอย่างคอยบุพท า, ารับใช้คอยม า, ายืนต้อนรับอะไรต่างตำแหน่งที่ของเขาถูกแล้วเนี่ยอาจารย์เนี่ยควรจะต้องทําให้ลูกศิษย์คนเนี้ยรู้จักในหมู่วิสายของอาจารย์อืมเจ้าค่ะอ่านี้อาจจะมาจำผิดนิดนึดนดนดนงวันนั้นอืมเจ้าค่ะเลยจะมาแก้ไขให้ถูกอ๋อเจ้าค่ะอย่างนั้นโยมขออนุญาตพระอาจารย์อ่าน่อยนิดนึงว่าอสําหรับธรรมะที่ อ, องพระสมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัดไว้เกี่ยวกับเรื่องของผู้บงังคับบัญชาหรือว่าเจ้านายเนี่ยที่ควรจะปฏิบัติต่อลูกน้องนั้นเนี่ยข้อแรกก็คือการให้รางวัลตามความสามารถใช่ไหมเจ้าคะ่ะข้อที่สองก็ให้ปล่อยให้เป็นอิสระตามสมัยบ้างข้อที่สามให้ของที่มีรสชาติพิสดาร ไปไหนก็ซ so like, <Right. S 1> ื Hoy, ้อของมาฝากอะไรอย่างนี <Screen>. ้นะเจ้าค่ะเขาจะได้ได้รับประทานสิ่งแปลกใหม่ข้อที่ห้าก็คือจะเป็นเรื่องของการอควรจะดูแลรักษายามเจ็บไข้นะเจ้าค่ะเจ้าค่ะข้อหนึ่งคือให้ให้ทํางานตามกําลังอืมเจ้าค่ะให้ทํางานตามกําลังความสามารถของเขาอ๋อเจ้าค่ะเจ้าค่ะก็เป็นว่าเอ่อทั้งหมดห้าข้อสําหรับผู้ใต้บังคับัญชานี่ก็จะมีว่าตื่นก่อนนายเริ่มทํางานก่อนนายนะเจ้าค่ะ ข้อที่สองกลับหรือว่าเลิกงานหลังนายข้อที่สามทำงานเต็มความสามารถใช่ไหเจ้าคะแล้วก็ข้อสี่คือเอาแต่ของที่<อ>านายให้เท่านั้นนะเจ้าคะข้อสุดท้ายก็ให้นำเกียรติคุณของนายนะั้นะไปร่ำลือก็คือชมเชยเจ้านายของเราแทนที่จะเป็นอินทาถูกไหมเจ้าคะองค์กรไหนนะคุณเกินใจถ้าอยู่กันด้วยคุณธรรมเจ้าคะ ถ้าอย่างอย่างละห้าเนี่ยอย่างนี้นะ <Okay. S 2> องค์กรนั้นเนี่ยโอมีแต่ความรู้เรื mm hmm. อ่ออคิดดูเจ้านาย <Okay. S 2> ก็ยุติธรรมกับลูกน้องนะ <Okay. S 2> ลูกน้องก็ทํางานอย่างเต็มที่ไม่มีผู <Okay. S 2> นะ้ไม่มีการขัดขากันฉันทําเต็มกําลังเธอทาเต็มกําลังนะฉันป่วยฉันก็ได้รักษาเธอป่วยเธอก็ได้รักษ า, า <Okay. S 2> นะทุกคนจะ ก, ก็เรียกว่าเป็นองค์กรที่อคิดดูนะถ้าสมมติลูกน้องคนหนึ่งทํางานอยู่ ยังทำงานไม่เสร็จอีกคนหนึ่งมาช่วย <Okay. S 2> ในหมู่หมู่เขาเรียกว่าเพื่อนร่วมงานด้วยกันมีความสาระใกล้สามกีกันอย่างนี้จะดีมากเจ้าค่ะก็เรียกว่าเป็นธรรมที่พระจันารย์ไทบูรณ์พี่ปุณโญได้ฝากไว้นะเจ้าค่ะสำหรับหน่วยงานทุกหน่วยงานเลยไม่ว่าจะอยู่ในฐานะที่ว่าท่านเป็นเจ้านาย หรือผู้บังคับบัญชาหรือว่าท่านเป็นลูกน้องคือผู้ใต้บังคับบัญชาถ้าต่างคนต่างอมีทางมะแล้วก็ปฏิบัติตามที่พุทธวจานะขององค์พระสมัมมาสัมพุทธเจ้าได้ส่งประทานแล้วก็ชี้แจงแสดงไว้เนี่ยเหมือนงานนั้นมีแต่ความรุ่งเรืองนะเจ้าค่ะมีแต่ความสุขเจ้าค่ะอ่าตอนนี้ต่อไปมีท่านผู้ฟังท่านหนึ่งนะเจ้าค่ะไม่ประสงค์จะออกนามแล้วกันนะเจ้าคะ่ะถามอยากจะขอถามพระอาจารย์ไปบูนเจ้าค่ะ เกีย่ยวกับเรื่องของเครื่องรางของขลังเนี่ยเจ้าค่ะตอนนี้ก็กําลังค่อนข้างจะฮิต ก, กันอยู่เยอะนะเจ้าค่ะทุกยุคทุกสมัยมนะเจ้าค่ะก็อยากจะขอกราบนักสการถามพระอาจารย์พิบูลน่ะพิบินโอเจ้าค่ะว่าสําหรับพวกเรื่องเครื่องรางของขังเนี่ยตามหลักพุทธศาสนาของเรานี่มีอยู่จริงหรือไม่เจ้าค่ะมีจริงหรือไม่พวกเครื่องรางของขังคุณใสอะไรต่างๆพวกเนี้นะเจ้าค่ะก็จะจัดอยู่ในหมวดเดียวกัน <c oughs> นะ ค, <Okay. S 2> คือคือต้องพูดอย่างนี้ว่าพระพุทธเจ้าเองเนี่ยประกาศเรื่องนี้ไว้อย่างไรนะแต่มาจะยกพุทธวรมนะให้ฟัง <Okay. S 2> คือพระองค์ได้ตรัสถึงอบุคคลในบุคคลหนึ่งเนี่ยที่ต้องการจะคิดเรื่องความคิดเรื่องโลกเรื่องเกี่ยวกับโลกเนี่ยนะซ <Okay. S 2> ึ่งออกแสวงหานี่เป็นเป็นนิทานที่พระพุทธเจ้าเล่าให้ฟังเป็นตัวอย่างของนายคนหนึ่งอยู่ในเมืองราชคฤึกเขาต้องการคิดเรื่องความคิดเรื่องโลกจึงออกไปแสวงหานี่อยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนว่าโลกเป็นยังไองอะไรต่างๆ มีอะไรอีกไหมที่ฉันต้องรู้ต้องทราบเรื่องคุณนึกเขียนอะไรต่างๆนี่นะะ <Okay. S 1> เขาก็ไปถึงสระบัวฝั่งหนึ่งสระบัวแห่งหนึ่งสระบัวนี้ชื่อสุมาคถามันอยู่ใกล้มงคลาจิครึ่ง <Okay. S 1> เขาก็ไปนั่งคิดอยู่ที่ริมฝั่งสาบอกโอ้ไอ้เรื่องพวกนี้มันเป็นยังไงคิดไปคิดมาระหว่างที่เขาอยู่ริมสระบัวนั้นเนี่ยเขาได้เห็นกองพลช้างกองพลม้ากองพลรถแล้วก็กองพลเดินเท้าเข้าไปสู่รากเน่าบัวคุนจะลองคิดดูนะคะ okay. กองพลเนี่ยนะทหารเนี่ยเป็นกองทัพกองทัพเนี่ยเข้าไปสู่เงาลากบัวมันจะเป็นไปได้ยังอืมเจ้ค่ะเพราะรากเงาบัวนี่มันอยู่ใต้น้ําเลยนะเจ้าค่ะมันเล็กมากอ่าใช่อยู่ใต้น้ําแล้วไอ้กองพลมันเข้าไปอยู่อมันย่อเล็กลงไปเจ้าค่ะเรื่องเรื่องนี้พระเจ้ายอมรับว่ามีจริงอ๋อเจ้ค่ะอ่าพระเจ้าบอกว่าเรื่องเนี้ยนายคนนี้เนี่ยนะพอเห็นอย่างนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นเขาก็รีบมีความคิดตัดสิโอ้ยเรานี่บ้าไปแล้ว สิ่งใดไม่เคยเห็นเราได้เห็นแล้วเขาจึงรีบกลับไปที่เมืองราชเกลิคุณเป็นใจเพราะกลับไปถึงนะเขี่ยบอกประชาชนบอกนี่เนี่ยฉันถ้า ฉ, ฉันบ้าไปแนละ้วฉันเห็นสิน่งนี้สิ่งนี้ออืเขาบอกอย่างนี้ผูกคนในเมืงะะองราชเกลกศถามกว่าเอ้าแล้วท่า น, านไปเห็นอะไรมาละ่ะอนายคนนี้ก็บอกเนี่ยบอกตามที่เห็นทุกประการเห็นกองทัพทั้งหลายเข้าไปอยู่เงาล่านะบัวมันเป็นไปได้ยังไงผู้คนที่ได้ฟังในเมืงะะองราชเกลิศเขาตอบว่าไงคุณเป็นใจเขอกว<อ>่าใช่คุณบ้าจริงๆคุณะบ้าไปแล้ว แต่ผู้รู้เจ้ายืนยันบอกว่าเรื่องเนี้ยไม่ใช่เป็นเรื่องที่ไม่มีสิ่งไม่เป็นจริงแต่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วอแล้วพระเจ้าเล่าให้ฟังประวัติของเรื่องนี้ก็คือว่าในสมัยก่อนตอนนั้นเนี่ยมีสงครามระหว่างเทพกับอสูรเกิดขึ้นอันนี้เป็นพุทธวจนะนะะเป็นสงครามระหว่างเทพกับอสูรเกิดขึ้นพวกเทพเนี่ยเป็นฝ่ายแพ้จึงหนีหลบเข้าสู่พบของอสูรเนี่ยทางเง่ารากบัวอ่านะคะปอกพวกเทพให้หลงค้นกันอยู่ท่านผู้ฟังคนไหนนะที่ไม่เชื่อหรือเชื่อ เต็มร้อเปร์เซ็ น, ร เ, นเรื่องคุณใสเรื่องเครื่องรางของขังอยิงไม่เข้าฟันไม่ออกเหล็กหลายแหล่งต่างพระพุทธเจ้าก็จัดอยู่ในหมวดตรงนี้อน ะ, <า>ระพระพุทธเจ้าก็ยังยืนยันว่าไอ้เรื่องประหลาดขนาดเนี้ยมันยังมีอยู่เลยคุณนใ จ, จ<า>อืมถู<า>กค่ะไอ้เรื่องที่เราเห็นว่ากองทัพทั้งหลายนี่เข้าไปสู่เงรดาบุญนี่ประหลาดกว่าพวกเอาอเขาเรียกว่าเอาตะปูเข้าท้องอะไรอีกนะอืมถูกค่ะเออประหลาดอยู่ในระดับเดียวกันอืม ถามว่าพูรูช้าให้ทำยังไงพุะรูช้าบอกว่าพวกเธอทั้งหลายเนี่ยเมื่อจะคิดเนี่ยจงอย่าคิดเรื่องความคิดเรื่องโลกถ้าจะคิดนะให้คิดว่าทุกเป็นอย่างนี้อย่างนี้นหเห็นให้เกิดทุกเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะความดับไม่เหลือของทุกเป็นอย่างนี้อย่างนี้ทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกเป็นอย่างนี้ก็คือให้คิดเรื่องอริยสัจ ส, สีจ่เพราะว่าคุณสนใจเพราะว่าพระเจ้าเองเนี่ยนะได้บอกไว้ชัดเจนมาก สิ่งที่พระองค์สอนเนี่ยเท่ากับใบไม้กํามือเดียวเมื่อเปรียบเทียบกับต้นใบต้นไม้ทั้งต้นต้นไม้อเขาเรียกว่าต้นที่บมีใบไม้เยอะๆนะอย่างเช่นต้นตลาลหรือว่าต้นชนิดหนึ่งที่มันใบไม้เยอะๆอย่างต้นประดูอย่างเงี้ยแล้วก็สอนแค่นิดเดียวเรื่องเกี่ยวกับการพ้นทุกเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับการพ้นทุกเนี่ยพระองค์ไม่สอนแต่พระองค์ก็พูดอยู่ว่ามีอันดับที่สองเนี่ย พระพุเจ้ก็เคยยืนยันอันนี้เป็นพุทธปรจันทที่สองที่อาตมาจะยกมานะบอกว่ามนุษย์เนี่ยถูกความกลัวคุกคามกลัวก็เลยถือเอาป่าที่ศักดิ์สิทธิ์บ้างสวนศักดิ์สิทธิ์บ้างรุกขเจดีบ้างต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์บ้างว่าเป็นที่พึ่งของตนของตนเห็นไหมคนเคยไปขุดหวยตามต้นไม้นะขอให้ฉันด้วยเธอเนะียเพราะว่าให้ถูกความทุกข์ แช่ไหมต้องมีต้องการเงินต้องมีเงินเลยไปขุดต้นไม้ขอหวยบ้างไปพันชิปะพวกเนี้ศักดิ์สิทธนะจึงไปขอเขาเป็นที่พึ่ง <Okay. S 2> พระพุทธเจ้าให้ท่านแก้ายไว้บอกว่าพวกเนี้ยไม่ใช่ที่พึ่งอันเกษมเลยนะเพราะว่าถ้าใคอย่างถือที่พึ่งอย่างนี้อยู่เนี่ยก็จะไม่พ้นไปจากถุกได้แต่ผู้ใดเนี่ยถ้ายึดถ้าใช้นะถ้าใช้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วเนี่ยจะพ้นจากถุกได้เค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเราพบว่ามีปัญหาเรื่องพวกนี้อยู่เช่นเรื่องอะไรที่เราพิสูจน์ได้ยากทางวิทยาศาสตร์นะาการเปลี่ยนแปลงของระบบธาตุการาพวกเครื่องรางของขังบัญชีมันไม่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยหลักวิทยาศาสตร์ที่เราอิดค้นกันขึ้นมาในยุค ป, ปัจจุบันสามารถสิ่งเหล่านี้โดยพุทธวจนาพุะรุจาบอกว่ามีมีนะยืนยันว่ามีเรื่องประหลาดันนี้ก็ยังมี แล้วก็อย่าไปสนใจเรื่องพวกนี้ถึงแมสิ่งที่พระเจ้พันธ o งเองว่ามีแนละจุดสนไปนอย่างเช่นอะไรภิกษุรูปหนึ่งนั่งสมาธิอยู่อยู่ๆลอยขึ้นไปในอากาศได้เหมือน ท, ท, ทั้งๆที่ยังนั่งคูบันลังอยู่ในที่สงบทำได้รพระเจ้าบอกหรือว่าเดินไปทะลุฝาผนังได้เหมือนกับแผ่นดินธรรมดาเดินไปบนน้าได้เหมือนเดินอยู่บนบกและสามารถภายใจบุคคลอื่นได้สามารถรู้ว่าเขาคิดอะไรยอยู่ นะสามารถแปลงกายได้จากคนหนึ่งให้เป็นหลายคนพวกเนี้ยเป็นอำนาจของสมาธิเท่านั้นยิ่งเหลือนะที่เหลื อ, นะ ท, ลอที่เหลือที่ไม่ได้พูดถึงตรงนี้เนี่ยคุณวิเศษที่อนุมากรามาตอนหลังนี่นะที่เหลือเนี่ยเป็นอำนาจของวิชาสมาธิแต่ถ้าอำนาจของสมาสมาธิเนี่ยจะเกิดสิ่งที่พูดกล่าวิรงนี้ได้ ที่เหลือที่เกิดขึ้นได้ที่คุณไม่สามารถพิสูจน์ได้ที่เจอมาพวกคุณสายอะไรตา่างๆเป็นสมัยของพิจ า, ารณาที่หลักอันนั้นเราจะไม่พูดถึงแต่เอาแค่คุณวิเศษที่เราพูดถึงว่าไอครูบาอการบางท่านเนี่ยสามารถรู้ว า, ารกิจเราได้ใช่ไหมอันนี้เราก็เคยเจอมาก่อนซึ่งบอกว่าอันนี้เป็นคุณวิเศษที่ได้จากการมีสัมมาสมาตนะิซึ่งตรงนี้เองพรู้พุทธาก็บอกว่าอีกทิพย์ปีฐานพวกนี้ยเรารู้สึกอ่าระหัดระอุดสึดอัด ระอารังเกียรติเขาอยากขยาเยเปลีทางสิ่งพวกที่เป็นกิจปฎิหาระาตรงนี้อืมเพราะว่าอะไรคุณสนใจเพราะว่าพระพุทชเจ้าเนี่ยบอกว่าสิ่งที่คนอื่นไม่สามารถพิสูจน์ได้เนี่ยอย่างเช่นว่าทายใจคุณได้คนที่เขามีศรัทธาเนี่ยเขาจะมีเชื่อเขาจะเชื่อเขาจะเชื่อราจเสี่งยง ค, คนที่มีศรัทธานะอย่างเช่นเรื่องพระธาตุสิดธิมาอะไรอ่างนี้น ะ, ะแต่คนที่ไม่มีศรัทธาเนี่ย พระอริยเจ้าบอกมีบอกว่าอ่ามีภิกษุคนหนึ่งสามารถใช้ใจได้อย่างนี้นะคนที่มีศรัทธาเขาจะเชื่อร้อยเปอร์เ็นแต่กุลบุตรที่ไม่มีศรัทธาก็มีเขาจะบอกว่าอวิชาชีมานิกาของมือศีรษะหนึ่งก็มีอยู่ <Okay. S 2> คือเราเคยเห็นพวกนักเล่นมายากลถูกไหมคุณเตืนใจใช่คอย่างเดวิดคอปเปอร์ฟิลอะอย่างเงี้ยเขาสามารถเสกใช้ทั้งตัวเนี่ยให้หายไปกระตาได้ hmm. หรือเสกเครื่องบินทั้งลําเนี่ยให้หายไปกระตาได้เดวิดคอปเปอร์ฟิลนะเป็นนักเล่นมายากลใช่ค่ะทำว่า ไอ้อย่างนั้นที่เกิดขึ้นเนี่ยเล่นมายากลนะอะเราเพิ่งเจออยู่ในสมัยปัจจุบันซึ่งก็จะมีคนบอกว่าโอ้ยที่คนนี้เขาทําทได้เขาเป็นเล่นมายากรพวกไม่มีสภาก็มีพระ บ, บริชาจึงบอกว่าเห็นโทษตรงนี้ซึงห้ามภิกษุนเนี่ยในการสแสดงสิ่งเหล่านี้อือ ม, มจ้าค่ะอะถ้าทําเนี่ยก็ถูกปรับอาบัติเอาไว้อือมจ้าค่ะที่เขาเรียกว่อาอะอวดก<อ>ุจริรมัรติจะทําอะไร น, นั้นปล่จาจ้าค่ะแล้วอวดการแสดงนี้คนลรประเด็นกั น, นอ๋อจ้าค่ะ อวด น, นี้ก็คือคุณไม่ได้ทําให้ดูนะอยู่ๆคุณพูดใช่ไหมว่าฉันมีอย่างนี้นี้แต่ไม่ได้ทําให้ดู น, นี้ <okay. S 2> มีความเสี่ยงถ้าถ้าเผื่อว่าไม่มีจริงเป็นจริงนะเป็นตาบัตรประรชิดคือออกจากความเป็นพระเลยแต่ถ้ามีจริงแต่พูดอวดนะไม่ได้แสดงให้ดูนะถูกเป็นอาบัติกันดีนเป็นอาบัติที่เรียกว่าประชิดตีแปลว่าทํทากุศลทําให้เสื่อมไปค <Okay. S 2> แต่ถ้ามีจริง มีจริง ๆ, ๆแล้วสดแสดงให้ดูไม่ได้พูดนะแต่สดแสดงให้ดูเลยอันนี้ก็ยังมีเขาเรียกว่าถูกป ร, ปรบาบอบัตทุกกฎอยู่อยู่อาบัตเบานั่นแหละอาบัตที่เบาลงมาห น, นอ่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องที่พิพากิหารก็ดีคุณสอ่าเรื่องรางของครังอะไรต่างๆที่เราเคยพบประสบการณ์ที่ว่าไม่สามารถอธิบายด้วยทางวิทยาศาสตร์เพวกนี้พรุริเจ้า บ, บอกว่าถ้าจะคิดเนี่ยอย่าไปคิดเรื่องพวกนี้ ถ้าจะคิดเนี่ยให้คิดเป็นแง่ของธรรมะคือให้คิดในแง่ของอ ร, ริยสัจทั้งสี่ว่าอ๋อมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์แห่งทุกข์ความดับไม่เหลือของทุลักษณะนี้แล้วค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอก็จะสรุปอย่างนี้ว่าอ่มีนะพระุทธเจ้าก็ยืนยันว่ามีประเด็นที่สองก็คือว่าอย่าเข้าไปสนใจให้มากให้สนใจเรื่องว่าเราจะพ้นจากทุกอย่าง เพราสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เสี่องไปได้จนถึงใจ <Okay. S 2> คนที่ทําเองเนี่ยก็ต้องตายเหมือนกันอืมช okay. อย่างถ้าตายแล้วเนี่ยเรามาหาวิธีกันดีกว่าว่าจะทํายังไงไม่ให้ตายาไม่มีวิชาไหนที่จะแก้ตายได้ครพช่างบอก <Okay. S 2> อย่างอ่อุทกภยัยหรือว่าซีนามิที่ญี่ปุ่นอย่างเงี้ยแผ <Okay. S 2> ็นดินไหว้่างต่างก็ดีเนี่ยเป็นเสื่อมจนตสติว่าคนที่เขา ท, ทาวิชาพวกนี้ได้นะเขาก็ต้องตายด้วยสิ่งเหล่านี้เหมือนกัน ไม่แก่ตายก็ถูกภะไธรรมชาติหรือเป็นโรคอะไราตายไม้อย่างเดียวอย่างนี้ <Okay. S 2> แต่มีอยู่สิ่งเดียวที่จะสามารถแก้ความตายได้คือคืออริยมรรคมีองค์แปดแต่พระพทธเจ้ายังได้ตรัสถึงว่าแม่ลูกอย่างเงี้ยใครที่แม่ลูกช่วยกันไม่ได้นะคุณเดินใจ <Okay. S 2> คนที่ไม่ได้เคยฟังธรรมะไม่ได้เคยรู้ธรมม ร, รมะไม่ได้เคยปฏิบัติธรรมะเนี่ยจะคิดว่าเออสึนามนิมาอย่างเงี้ย <Okay. S 2> โอ้โหแม่ไปทางลูกไปทางช่วยกันไม่ได้แน่นอน okay. หรือไปไม่ครั้งใหญ่อย่างไฟไหม้สามคองเตย อ, อย่าเงี้ยใ น, นเมื่อหลายสิบปีมาตั้งยี่สิบปีแล้วมั้แม่ไปทางลูกไปทางช่วยกันไม่ได้แนะ <Okay. S 1> น่นอนแต่ว่าคนอื่นส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะคิดว่าพวกนี้เป็นภัยที่แม่ลูกช่วยกันไม่ได้แต่จริงๆเนี่ยภัยที่แม่ลูกช่วยกันไม่ได้เนะี่ยคือภัยที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายนะแม่เจ็บอยู่เนี่ยนอนอยู่คาเตียงเนี่ยลูกจะบอกว่าเอาขอเจ็บแทนแม่แม่อย่าเจ็บเลยมันไม่ได้ <Okay. S 1> แต่ภัย สิ่งที่เราสามารถช่วยตรงนี้ได้เนี่ยคือเรื่องของอนยมัคมีองแปดคือการปฏิบัติธรรมนั่นเอง <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีแก้ที่ได้ทรงตรัสถึงในการที่จะแก้จากพวกคุณใสหรือว่าสิ่งที่ผิดๆอย่างนี้เนี่ย <Okay. S 2> ก็คือว่าให้ใช้พระพุทธธรรมพระสงฆ์เนี่ยเป็นที่พึ่งให้ใช้พระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งไปที่พึ่งลักษณะไหนสมมติว่าเรามีปัญหาในชีวิตเนี่ยคําว่าเป็นที่พึ่ง กับคําว่าเป็นอ่าสารณะเนี่ยนะเป็นที่พึ่งกับยึดเนี่ยไม่เหมือนกั น, ต, ต, นต่างกันยังไงเจ้าคะเออต่างกันตรงที่ว่าถ้าสิ่งยึดเนี่ยคือจะเอาเป็นของเราคนที่ยึดเนี่ยจะเอาสิ่งนี้เป็นของเราหมายความว่ามีใครมาทำํำอะไรให้สิ่งนี้กระเทือนสักนิดหน่อยนะเราจะรู้สึกมีความยืดขึ้น ม, มาไม่พอใจสมมติมีใครมาว่าพระพุทธเจ้าว่าพรทําว่าพระสองอย่างเงี้ยถ้าเรายึดพระพุะทธธรรมพระสองยึดนะยึด เราจะรู้สึกไม่พอใจคุณมาพูดอย่างนี้ได้ไงนี่เพ็่รูปเศร้าของฉันของฉันน ะ, ะ, ะแต่ถ้าเราใช้เป็นที่พึ่งเนี่ยคือเวลาเรามีปัญหาในชีวิตเราไม่รู้ว่าจะตัดสินใจยังไงการค้าไม่ดีอ่าทํางานไม่ขึ้นมีปัญหาเศรษฐกิจกคุณใช้พระพุทธกระตริยประสงค์เป็นที่พึ่งแล้วถึงพึ่งพึ่งทางใจแล้วก็พึ่งทางใจใคแล้วก็ให้หระลึกถึงพระพุทธกษัตริยประสงค์โดยในยะที่ว่า คุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีอะไรบ้างคิดดูพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นกษัตริย์เสะออกบวชมาแล้วก็มีคุณธรรมหลายสิบหลายร้อยอย่างที่ทําให้เป็นปพุทธเจ้าได้ให้เราติดตรงนี้ <Okay. S 2> อ่าไม่ใช่ว่าเดี๋ยวไปหาหมอดูอคุณมีคุณไปหาหมอดูแต่ว่าคุณไม่เชื่อวันพระพุทธธรรมะทรงหรอกคุณมีความทุกข์เดี๋ยวคุณไปทางไหจุดบนบานบอกเจวดาอันนี้แสดงว่าคุณไม่มั่นใจในพระพุทธธรรมะทค์นะค่ะ okay. มีความแข่งสงสยัยมีความไม่มั่นใจไม่เชื่อมั่นลอยตระเสงแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าการที่เอาพระพุพะทธธรรมมาส่งเป็นที่พื่องเนี่ยอย่างเช่นว่าพระธรรมเนี่ยบอกให้พึ่งตนใช่ไหมพึ่งตนก็ต้องดูตัวเองสิงว่าตัวเองอยู่ในสีหรือเปล่ฉันทําดีทุกทุกอย่างไหมฉันไม่พูดเรื่องไม่ดีของคนอื่นหรือเปล่าเรื่องดีๆคนอื่นนำมาพูดเรื่องไม่ดีเราไม่พูดอย่างนี้นนะค่ะ okay. เขาเป็นเป็นคนที่เรียกว่าปฏิบัติธรรมไม่เหมือนกันเถอะแล้วก็มีธรรมะในใจมีศีลอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าสามารถที่จะอ่าแก้ปัญหาได้เรื่องเอาพระพุะทธธรรมวสสงเป็นที่เพิ่งนี่นะคุณเตืนใจเป็นเรื่องที่มีรายละเอียดมากอืค่ะแง่มุมหลายอย่างที่เรียกว่าคนไทยนะทุกวันนี้เนี่ยอาจจะยังทําผิดกันอยู่เลยเจค่ะอย่างเช่นว่าคุณไปบนบานสังกัการบ่นบานสังกัเนี่ยไม่ใช่วิธีของพระพระธเจ้าหรอเจค่ะ คุณไปต่อหน้าพระพุทธรูปเลยเราก็จุดธูปเก้าดอกนะขอบนบอกว่าเนี่ยถ้าลูกตอบผ่านหรือลูกแก้ปัญหานนีได้เ้าหัวหมูมาเจ้นย่งช่ที่ของโวมเลยจ้าบ อ, <c oughs> อ, อกไหม เ, เราทำม<อ>ันเยอะนะเจ้าค่ะใช่กระบวนการตรงเนี้ย คิดว่าต้องอธิบายให้ชัดเจนกันมากขึ้นต้องใช้เวลามากกว่านี้อาจจะพูดคุยในวันพรุ่งนี้ก็ได้ได้เจ้าค่ะนะจริงจริงว่าการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องใช้พระพุทธธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งในในยะที่เรียกว่าตัวเองปฏิบัติด้วยเราจะทําอย่างไรตรงนี้จะมา จ, จะอธิบายให้ได้ในวันที่1วันพรุ่งนี้ได้แล้วก็จะบอกถึงกระบวนการการปฏิบัติที่แท้จริงว่าถ้าคุณมีความทุกข์อยู่เนี่ย เราจะใช้พระพุทธะธรมประสงค์เป็นที่พึ่งในลักษณะไหนถึงจะเหมาะสม <Okay. S 2> แล้วก็การที่เราจะหลุดออกจากภัยที่อไม่สามารถอธิบายได้ในทางวิทยาศาสตร์อย่างเงี้ย <Okay. S 2> เราควรจะมีความมั่นใจอย่างไรแก้ปัญหาอย่างไรลักษณะนี้ออน่าสนใจมากเลยนะเจ้าคะ <Yeah. S 1> ่ะยอมคิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านที่ฟังอยู่นี่พรุ่งนี้เช้าต้องตื่นมาฟังแล้วนะเจ้าคะพอตี <Yeah. S 1> ห้าปุ๊บปีเปิ ด, ปดวิทยุประเทศไทยฟังรายการธรรมารับปรุณของเรา <Yeah. S 1> เลยนะเจ้าคะ่ะ ตอนนี้วันนี้มีเวลาเหลืออยู่ประมาณสักสีนาทีเจ้าค่ะโยมทราบว่ามีคุณผู้ใช้นามว่าคุณดอกไม้หอมได้เขียนเข้ามาในเว็บไซต์ว่าจะฟังรายการย้อนหลังได้ที่ไหนอันนี้ในฝ่ายของพระอาจารย์ไม่ทราบว่าพระอาจารย์จะเด็กแนะนําคุณดอกไม้หอมยังไดีเจ้าค่ะก็คิดว่าอย่างนี้ในรายการช่วงธรรมาราบอรุณของสารกชาน็ดีหรือว่าในวันศุกร์ที่เป็นการเทศนาเนี่ย <Okay. S 2> ก็ถ้ามีข้อมูลมาเรียบเรียงเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะนําขึ้นเว็บไซต์แล้วก็จะจะบอกให้ไปดาวน์โหลดได้ซึ่งก็จะอยู่ที่เพียรธรรมะคอมเพียรธรรมะคอมถ้าท่านผู้ฟังเรียกว่ามีข้อเสนอแนะคําถามข้อสงสัยก็ให้ส่งมาที่เว็บไซต์นี้ได้ค่ <Okay. S 2> แล้วก็จะเป็นที่ที่สื่อสารกับท่านผู้ฟังว่าเอถ้าเวลาที่เครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์อะไรต่างของเราพร้อมแล้วเนี่ย ก็จะเอาให้อ่าขึ้นไปดาวน์โหลดกันได้ข้อมูลต่างๆก็จะแจ้งไว้ที่เว็บไซต์นี้อืมเจ้าค่ะก็เรียกว่าเป็นเป็นอ่าเว็บไซต์กลางของรายการธรรมาราปุลนเรานะจ๊ะคะโดยมีพระอาจารย์พิบุรนพิปุโนอ่าแห่งวัดป่าดอนหายโศกเนี่ยท่านก็จะคอยอพระอาจารย์ก็จะเข้ามาดูอยู่เรื่อยๆเลยนะเจ้าค่ะว่ามีคําถามอะไรบ้างก็จะมาตอบในรายการธรมรมาราปุลนของเรา ส่วนเรื่องที่คุณดับไม้หอมเขียนมาบอกว่าจะฟังรายการย้อนหลังก็คิดว่าอาจจะตื่นมาฟังไม่ทนันอยากจะฟังย้อนหลังหรือว่าฟังบางตอนไม่เข้าใจก็พระอาจารย์ก็จะเมตตาที่จะอ่านํามาขึ้นตุงเว็บไซต์นี้นะเจ้าคะ่ะใช่ใช่เค่ะและส่วนวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเองนั้นเนี่ยเราก็มีเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเดียวกัน ซึ่งโยมก็จะแนะนําทางเจ้าหน้าที่ของเรานะเจ้าคะก็อจะได้ดําเนินการเช่นเดียวกันเผื่อว่าท่านผู้ฟังทางบ้านก็จะได้เออ่ได้ได้รับฟังย้อนหลังแล้วก็อะไรที่เข้าใจก็จะได้รับฟังทบทวนกันอีกทีหนึ่งนะเจ้าคะก็จะมอบให้คุณกิติศรีพยกักษซึ่งก็เป็นช่างเทคนิคประจํารายการธรรมาราบดุลของเราเนี่ยรับไปดําเนินการต่อไปนะเจ้าคะ เจ้าคะ่ะสำหรับในเช้าวันเสาร์นี้มทราพระอาจารย์มีแง่คิดอะไรจะฝากเกี่ยวกับเรื่องเครื่องรางของขลังอีกสักนิดหนึ่งไหมเจ้าคะในสามนาทีสุดท้ายเจ้าคะ่ะอสะรุปง่ายๆอย่างนี้ว่าเรามารู้ถึงวิธีแก้กันดีกว่าเคือมีเนี่ยมีแน่ใครทําอย่าไปสนใจเขาการผูกโกรธเนีย่ยจะเป็นเวรเป็นเวรกับเราด้วยเป็นเวรกับเขาด้วย เ, เราไม่ต้องการเวรกรรมเพราะฉะนั้อนอย่าไปเกิดคนที่มาทําเราถ้ามีนะเราทํำยังไง ต่ให้แก้ด mm ้วยการใช้พระราชบัตร่ายเป็นที่พึ่งซึ่งจะมาพูดในรายละเอียดในวันพรุ่งนี้แล้วก็เรื่องพุ่งนี้นะก็ให้ทําใจเป็นกลางเนาะสนใจเรื่องทางออกดีกว่าเจค่ะก็ตามรับฟังกันได้ในรายการธรรมราบรุนในเช้าวันพรุ่งนี้ตอนตีห้าเป็นต้นไปนะเจ้คะสําหรับในเช้าวันเสาร์นี้ก็คงจะต้องนำทัพพวกทางบ้านอ่ากล่าวน้ำมการลา พระอาจารย์ไปบุญอภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อด็เอร์สะอาดทิดภาโสหรือท่านพระครูสิทธิ์ปภากรซึ่งเป็นเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกตมบุดอนหายโศกอําเภอนองหารจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้นะเจ้าค่ะแล้วก็เรียนเชิญท่านฟังตามรับฟังในเช้าวันพรุ่งนี้กล่าบนมัสการแล้วก็กล่าบขอพระคุณเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะคระอาจารู์เจ้ค่ะ ติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้ใหม่ในวันพุนี้เวลาห้านฬิกาถึงห้นงานาฬิกาสามสินาทีทพานวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสาหรับวันนี้สวัสดีครับ